เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกๆท่ททานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทาง มารักษาสิมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะผลที่จะได้รับจากการกระทำเหล่านี้เป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของที่จะอยู่ตีดไปจับเราตลอดไม่เหมือนกับของต่ตางๆในโลกนี้ ที่เป็นของปลอมเพราะเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องเสื่อมหมดไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีวันจะต้องหมดไปจากเรา แต่บุญที่เราทำศีลที่เรารักษาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะที่เราปฏิบัติโยนปรากฏเป็นผลขึ้นมาในใจของเราเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของที่จะอยู่กับเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายของเราได้หมดสภาพไปแล้วดังนั้น พวกเราจึงควรมีศรัทธาความเชื่ออย่างแน่วแน่ต่อการทำบุญต่อการรักษาศีลต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพราะเราทำมากได้มากเท่าไหร่ผลที่เราได้ก็จะเป็นของเรามากขึ้นไปเท่านั้น ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมเราจึงอย่าไปหลงกับการหาสินตา่างทั้งหลายในโลกนี้มากจนเกดไปขอให้หาพอเพื่อที่จะยังชีพรักษาชีวิตให้อยู่ไปได้ไม่เดือดร้อนก็พอแล้วอย่าไปหวังเร่ำหวังรวย อย่าไปหวังจะอยู่อย่างไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต่อให้เราดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีกระดานไหนกต็ตามเราก็ไม่สามารถรปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ต่อให้มีบ้านใหญ่โตมโหฬารเป็นปราสาทราชวางัง มีราคาเป็นล้างพันล้านมีเสื้อผ้าอภารรท์ที่ปราณีตละเอียดมีราคาเป็นแสนเป็นล้านมียารักษาโรคทุกชนิดมีอาหารอันปราณีที่ที่สามารถจะรับประทานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่สิ่งเหล่านี้ ทำได้อย่างมากก็เพื่อดูแลเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ไปแต่ถ้าให้มากจนเกินไปก็จะเกิดโทษกับร่างกายได้เช่นถารัปรทานอาหารมากเกินไปก็จะทําให้โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ย น, ยนร่างกายได้และก็จะทําให้ การอยู่จะอยู่อย่างไม่มีความสุขสุขเดีียวเดียวสุขตอนที่ได้รับประทานอาหารขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆแต่พอรับประทานเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์จะที่จะตามมาเนื่องจากร่างกายมีน้ำหนักมากเกินไปร่างกายไม่สวยงาม ร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเพราะไม่รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารเช่นเดียวกับการไม่รู้จักประมาณในการหาที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าอาภรณ์ยารักษาโรคถ้าเราโมแต่หมมุ่นกับการหาเสื้อผ้าอาภรณ์หา ข้อหะอันใหญ่โตหาอยู่ขายาหาหมอหาอะไรต่างๆมาเยียวยาร่างกายก็จะทำให้เราเสียเวลากับสิ่งที่เป็นของปลอมเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีโทษตามามามีความทุกข์ตามามา ทั้งในขณะที่เรากำลังแสวงหาและในขณะที่เรามแีและในขณะที่เราจะต้องสูญเสียความสุขต่างๆเหล่านี้ไปขณะที่แสวงหาก็ต้องดินน้นรนต่อสู้ทามาหากินแข่งขันกันมีเรื่องมีราวกันเพื่อที่จะให้ได้ ซับมามากมากเพื่อจะได้สร้างบ้านมันใหญ่โตเพื่อจะได้ซื้อเสื้อผ้าอภรชนิดต่างๆมากมายเกิดความจำเป็นเพื่อที่จะมีเงินไว้สำหรับรักษาร่างกายเวลาเกิดความเจ็บไข้ไน้ป่วยแต่ก็เป็นการดูแลรักษาไปพอแก้ ขัดไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันเหมือนกับคนขอท า, ทานข้างถนนถึงแม้เขาจะไม่มีเสื้อผ้าอาภรไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารไม่มียารักษาโรคอย่างสมบูรณ์แต่ร่างกายของเขาก็เหมือนกับร่างกายของคน ที่มีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์คือร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดดังนั้นการที่เรามาวุ่นวายมาทุกข์กับการหาปัจจัยสี่จึงเป็นเรื่องของคนไม่ฉลาดคนฉลาดจะยอมรับความจริงแล้วจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการ ดูแลรักษาชีวิตมากจนเกินไปดูแลรักษาไปพอให้อยู่ได้ไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วเอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาหาของจริงหาของแท้หาความสุขจริงหาความสุขที่แท้ความสุขที่ถาวรจะดีกว่าความสุขที่แท้ที่ถาวร ก็คือความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมข่านต่างๆอันนี้เป็นความสุขที่ไม่ไม่จางไม่เสือ่อมไม่หมดไป จะติดไปกับใจไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตามความสุขที่อยู่กับใจจะไม่สูญหายไปไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วความสุขต่างๆที่ได้ก็จะหมดไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปเครื่องห่าอันใหญ่โตก็กลายเป็นของคนอื่นไปเสื้อผ้าอาปพาร์ที่ปราณีตที่หรูหราก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสิ่งที่เป็นของเราที่แท้จริงก็คือบุญที่เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาสิง เกิดจากการฟังธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมอันนี้อยู่กับเราไปเพราะเราก็คือใจเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้ตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะเราเป็นใจใจของเราไม่มีวันตายใจของเรามีแต่ว่าจะไปไหนต่อจะไปสวรรค์ ไปนิพพานหรือไปอาบายก็อยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันนี้ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตที่จะตามมาอยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราทาบุญมากกว่าทำบาปเวลาร่างกายตายไป บุญจะมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ไปสู่พานิพานได้ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญเวลาตายไปก็จะดึงใจให้ไปไปเกิดในอบายไปเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือเรื่องของใจที่จะ เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงพระนิพพานได้เวลาตายไปใจของเราก็ไปพระนิพพานเลย ถ้าไปเถงพระนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไปสวรรค์ชั้นต่างๆพอบุญที่เราได้สร้างไว้หมดไปใจของเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ต่อไป เช่นเดียวกับใจของผู้ที่สร้างบาปไว้มากกว่า บ, บุญเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกงบ้างแล้วพอบาปที่ได้ทำอาไว้ได้ใช้จนหมดแล้วหรือใช้จนจนมีกำลังเท่ากับบุญ คือบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในนรกได้ตอนนั้นก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กอดมากลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แต่คนที่กลับมาจากนรกจากปบายกับคนที่กลับมาจากสวรรค์ น, นี้จะมีนิ ส, สัยไม่เหมือนกันคนที่กลับมาจากนรก จากอาบายนี้จะมีนิ ส, สัยชอบทําบาปต่อไปก็จะกลับมาทําบาปใหม่มากกว่าทําบุญส่วนคนที่กลับมาจากสวรรค์ก็จะติดจะมีนิ ส, สัยที่จะชอบทําบุญมากกว่าจะทําบาปชอบรักษาศีลชอบทําบุญให้ทานชอบฟังเทศน์ฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรม ก็จะกลับมาสร้างบุญละบาปต่อไปพอตายไปก็จะกลับไปสวรรค์อีกจนกว่าจะสามารถปฏิบัติถึงขั้นพระนิพพานได้ถ้าถึงขั้นพระนิพพานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปส่วนผู้ที่มีนิสัยชอบทาบาชอบเล่นการพนันชอบเดิมสุรายามา ชอบเที่ยวเตรชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตรชอบความเกลียดคา้าพวกนี้เวลาตายไปก็จะกลับไปเกิดในอบายใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำแบบเดิมอีกชอบสุราก็จะเดิมสุราชอบเล่นการพนันก็จะเล่นการพนันชอบเที่ยวเตรก็จะเที่ยวเตร ชอบความเกลียดครางก็จะเกลียดครางไปเรื่อยๆชีวิตก็จะวนอยู่ในพบที่ต่ำและจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือได้เกิดกับครอบครัวของคนที่ชอบทำเดิมชอบรักษาสิ่ ชอบปฏิบัติธรรมก็จะได้รับอิทธิพลของครอบครัวนั้นเขาก็จะสอนให้ทําบุญสอนให้ละ บ, บาสสอนให้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่ชอบไม่ยอมรับไปปฏิบัติไม่ทําตามก็จะไม่สามารถเปลี่ยนวัตถจักรของตนได้ก็จะกลับมาทําบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกตายไปก็จะกลับไปเกิด ในอบายใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรายังมีความชอบในการดื่มสุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเตะชอบความเกลียดคราสชอบคบคนไม่ดีเป็นวิทย์ก็ขอให้เราควรที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่าไปชอบการกระทําเหล่านี้ เพราะการกระทำเหล่านี้จะชุดล่างให้เราไปทำบาปต่อไปถ้าเรายังทำบาปยังชอบทำบาปอยู่เช่นยังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดปดลบเท้นถ้าเราไม่อยากที่จะกลับไปเกิดในอบายเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนนิสัยอันนี้เปลี่ยนจากชอบไปไม่ชอบ เคยชอบฆ่าสัตว์ก็ต้องเปลี่ยนไม่ชอบเคยชอบนักศักก็ต้องเปลี่ยนไม่ชอบเคยชอบประพฤติผิดปรเวณีก็ต้องเปลี่ยนไปไม่ชอบประพฤติผิดปรเวณีเคยชอบพูดปดมดเท็จก็จะเปลี่ยนไปไม่ชอบถ้าเราเปลี่ยนได้เราก็จะไม่ต้องทำบาปต่อไปพอเราไม่ทำบาปแล้วและเราหันมาหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบ คือชอบทำบุญชอบมาวัดชอบมาฟังเทศน์ฟังธรรมชอบมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมชอบบวชถ้าเราชอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปเราก็จะไปสู่สุขติพกชาติของเราก็จะเวียนอยู่กับสุขติไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานแล้ว เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราคือชีวิตของพวกเราตัวของเราอยู่ที่การกระทาของเรานี้เองไม่มีใครลิขิตให้เราดีหรือชั่วได้ไม่มีใครลิขิตให้เราไปเกิดในนรกหรือในสวรรค์การกระทาของเรานี้เป็นผู้ลิขิต การกระทำก็คือกรรมนี่เองคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำกระทำอันใดแล้วก็จะมีผลตามมาถ้าทำดีก็จะมีพบชาติที่ดีตามมาเป็นเทศเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลไปถ้าทำไม่ดีทำบาปก็จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกเป็นสัตว์นรกไปนี่คือกฎแห่งกรรม ที่เรามีสัตว์ต่างๆก็เพราะว่าใจของสัตว์แต่ละดวงทำกรรมมาไม่เหมือนกันที่มาเกิดเป็นเดรัจฉานก็เพราะว่าได้ทำบาปมาที่ได้มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วมาทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าได้เคยทำบุญมาดัางนั้นขอให้เราเชื่อกฎแห่งกรรม ไม่ต้องไปเชื่ออย่างอื่นเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราดีหรือชั่วได้นอกจากการกระทำของเราไม่ต้องไปหาหมอดูเวลาที่ชีวิตเราตกต่ำหมอดูก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากสอนให้เราทำความดีเท่านั้นสอนให้เราไม่ทำบาปแต่ถ้าไม่ถ้าไม่มาแก้ที่กรรมแล้วเรา ไม่มีวันที่จะแก้ผลต่างๆที่ไม่ดีได้เราต้องมาแก้การกระทำที่ไม่ดีคือไม่ไปทำบาปไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขต่างๆให้มาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมเพราะนี่คือลึอเหตุที่จะนำผลให้ตามมาต่อไป ไม่มีใครแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเสกที่จะเป่าให้เราดีได้หรือให้เราเชื่อได้อยู่ที่การกระทำของเราการกระทำของเราก็อยู่ที่ความรู้ของเราว่าเรารู้ดีรู้เชื่อหรือไม่รู้บากรู้บุญหรือไม่เราเชื่อบาเเชื่อบุญหรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อบาเเชื่อบุญ เราก็จะไม่กลัวกับการกระทำบาปเราก็จะกล้าทำบาปเพราะเราคิดว่าการทำบาปแล้วไม่มีผลอะไรตามมานอกจากผลที่จะถูกทางเจ้าหน้าที่ตารวจมาจับไปขังคุกขังตารางท่า น, นแต่คิดว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็จบไม่มีผลตามมาอีกต่อไปนี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูก เพราะเราไม่รู้จักใจของเราเราไม่สามารถเห็นใจของเราได้เพราะใจนี้ไม่ได้เป็นรูปประธรรมเหมือนร่างกายใจเป็นนามธรรมาเป็นเหมือนมนุษย์ร่องหนเราไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้ถ้าเราไม่ย้อนกลับเข้ามาดูใจของเราถ้าเราอยากจะรู้จักใจของเราเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องดึง ใจของเราให้กลับเข้ามาข้างในตอนนี้ใจของเราออกข้งออกไปข้างนอกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะจึงทําให้ไม่เห็นใจเราต้องดึงกลับเข้ามาด้วยการใช้สติดึงความคิดต่างๆของเราให้ให้ให้ใหยุดให้สงบเพราะเมื่อเวลาที่เราหยุดคิดแล้ว เราก็จะเห็นใจของเราใจของเราก็คือตัวรู้นี่เองผู้รู้นี่เองตอนนี้เราไม่เห็นตัวรู้ไม่เห็นผู้รู้เราเห็นแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเห็นเห็นสิ่งของต่างๆเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นใจถ้าอยากจะเห็นใจเราต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึงใจให้กลับเข้ามาข้างใน ด้วยการเจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดคิดได้เมื่อใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบ พ, พอสงบก็จะเห็นใจปรากฏขึ้นมาเห็นผู้รู้เห็นตัวรู้ปรากฏขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่านอกจากร่างกายแล้วเรามีใจด้วย น่าใจกับร่างกายก็เป็นคนละส่วนกันเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายใจนี้แหละจึงเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเราต้องสร้างด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราจะเห็นตัวรู้ปรากฏขึ้นมาตอนนี้ความคิดมันกรกตัวรู้ไปจึงไม่เห็นตัวรู้เหมือนกับจอทีวีเราจะไม่เห็นจอทีวีเราจะเห็นภาพที่ปรากฏบนจอทีวีถ้าเราไม่ปิดทีวีถ้าเราปิดทีวีแล้วภาพที่ปรากฏบนจอก็จะหายไปพอภาพที่ ปรากฏหายไปก็จะเหลือแต่จอให้เราเห็นฉันใดถ้าเราไม่อยู่ความคิดเราก็จะไม่เห็นตัวรู้ความรู้ความรู้นี่ถูกตัวคิดบดบังไว้ถ้าเราหยุดความคิดเราก็จะเห็นตัวรู้เราก็จะรู้ว่าใจเรานี่แหละคือตัวรู้ตัวที่ mm. ทำต่างๆตัวที่สั่งให้ร่างกายพูด สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแล้วก็เป็นตัวที่รับผลจากการคำสั่งเวลาสั่งให้ทําดีใจก็มีความสุขเวลาสั่งให้ร่างกายทําบาปใจก็มีความทุกข์เราก็จะรู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้สร้างบุญสร้างบาปและเป็นผู้รับผลของบุญของบาปเอง ไม่มีใครเป็นคนสร้างไม่มีใครเป็นผู้รับผลมีตัวเรานี่แหละเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รับผลของการกระทำทั้งหมดของเราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะทาแต่ความดีทาแต่บุญเราจะละการกระทำบาปทั้งหมดเพราะเรารู้ว่าเวลาทําบาปแล้วใจของเราทุกข์ใจของเราร้อน แต่เวลาเราทำบุญแล้วใจของเราเย็ยนใจของเรามีความสุขนล้เราก็จะรู้ความหมายของควมว่าสวรรค์ว่าเป็นอะไรสวรรค์ก็คือใจที่มีความสุขนี้เองส่วนนรกก็คือใจที่มีความทุกข์นี้เองไม่ได้อยู่เป็นไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพหรือเชียงใหม่ สวรรค์ก็คือใจที่มีความสนบมีความสุขนรกก็คือใจที่มีความทุกข์มีความวุ่นวายต่างๆความทุกข์ก็เกิดจากการกระทำบาปการกระทำไม่ดีทั้งหลายความสงบ ส, สวรรค์ความสุขก็เกิดจากการทำดี <c oughs> ำนี่เองทำบุญนี่ถ้าเราได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้ว เราจะไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราจะมีความตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีเราจะเชื่อกฎแห่งกรรมเราจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะเรารู้ว่าการทำบาปจะทำให้เรานี่ต้องตกนรกต้องทำให้ใจของเรามีความทุกข์นี่คือ ของจริงของแท้คือบาปบุญนรกสวรรค์การทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นของจริงที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันสิ่งที่เรามองเห็นนี้เป็นของปลอมทั้งหมดร่างกายของเราก็เป็นของปลอมทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็เป็นของปลอม บุคคลต่างๆก็เป็นของปลองไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธีดาเป็นญาติสนิทนิสหายของเหล่านี้เป็นของปลอเพราะในที่สุดก็จะต้องกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปเราจึงอย่าไปหลงยึดติดกับของปลองเพราะเวลาเขาหมดสภาพไป จะทำให้เราต้องเศร้าสศกเสียใจทุกทรม า, านใจขอให้เรามาหาของจริงดีกว่ามาอยู่กับของจริงเพราะของจริงนี้จะไม่มีวันจากเราไปบุญบาปนี้จะไม่จากเราไปความสุขความทุกข์ที่ได้จากการทําบุญทําบาปก็จะไม่จากเราไปถ้าเราทําบุญเราก็จะมีความสุขไปตลอด ถ้าเราทำบาปเราก็จะมีความทุกข์ไปตลอดดังนั้นเราจรึงต้องเชื่อคำสอนของพ่อพระเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญละบาปและชําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เพราะถ้าใจสะอาด บ, บริสุทธิ์แล้วใจก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปถ้าทำบุญใจก็จะไปสวรรค์ถ้าไม่ทำบาปใจก็ไม่ต้องไปตกน ขอให้เราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วของจริงของแท้ของดีต่างๆก็จะเป็นสมบัติของพวกเราต่อไปส่วนสมบัติปรอมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้พวกเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องพัดพากจากเขาไปเพราะเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาหาความจริงหาความสุขจริงหาความสุดแท้หาทรัพย์สมบัติที่แท้จริงให้ท่านได้นำเอาไปพิมพพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้